ยาย่าจีนที่เป็นตระกูลยังก็เอ๊ะเป็งเซียงนั่นเตะเป็งเป็งเคียงเตะย่าจีนเม็ดระดันเม็ดละแปดร้อยสมัยก่อนนะออืแต่ตในี้ย่าหลวงปู่เรียนถวายเนี่ยอาจารย์หมอสมชายบอกว่าถวายหลวงปูนเนี่ยเอชาวเย็น เช้าเย็นตกเช่าก็หกพันบาทเย็นก็หกพันบาทเลยเป็นอันว่ามือหนึ่งพันฉันอย่ามัดมือละมือสองใช่ไหมอาจารย์เออนั่นนะค้ามันดีปว่ารและหลวงพ่อว่าเม็ดละแสนก็บสื่อถอยผลเลยกันบรมีแต่แทงมหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะพอมีจากเม็ดสองเม็ดหมดไป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 เออเนี่ยนะเสือลูกหนอก่องบมเป็นเต่เสือดสู้เจ้าไปเออเสือลูกสูเเ้เจ้าเขื่อนเออห้างเถอาคิดสนุกก็มีดได้ลูกน่องนอนลงไปตมอาจารย์บั่งนะข่าวเนี่ยด้ยอาจารย์ก็ตะเลือดเลยกับประกาศอกเอาลงไปเออวันที่วันที่ 16. สิบหกจะแทนมันเป็นวันที่สิบ้าเอาลงไปเออเนี่ย น, นะมันดังไปเลยได้บาทเลยพวปันแน่นหน่อยตมเนี่ยพอนะเข้าเคยแต่งเย็นบอก น่หน่อยอยู่ผู้เดียวนี่ไปคืดงอมคืดหมาเมื่อไหรตุมหลอกเงี้ยพอคนนะวันนี้คืดสนุกคกนเราไปนอนน่อยก็ยังอยู่กับเงี้ยพอสององค์ได้อยู่ในวัวววววนดวันนู้นวัดบ้านเฮีดจากไหนก็แล้วยางไปใช่ก็แล้วงอกเงี้ยแงกยองไปเมื่อไหรคืดสนุกคนเราไปบาทนะเรเห็นเงี้ยพอองค์หนึ่งมาจากทางไก่คนเรไปพ้ายบาดอายุอายะเม่าคนเราไป พอมาฮอตคือมาสาลาเนี่ยน่อยกลับไปตอนรับครับศูนย์เอาไปเอานามเอายังไปถวายเพื่นบอกเงี้ยพออย่าพ่อเ น, นี่ยบอกเย่ายาพอไม่หรอกที่มาหม่เ ย, ย่าพอจวัดขนอยนี่หูหนวกนะนได้เขาะนี่ยขันบอ่อก็ต้องบอกดังๆแนะ น, น่เขาจะเนี่ยอย่าไปบอกอย่าไปบอกคอยเพิ่นบ่ได้ยินต้องวอกดังๆมาจะเนี่าขอไปหาเพิ่นมาจะเนี่ยบาแล้วก็เอานามถวายเพื่อนเรียบร้อยแล้วกันเนี่ยน่อยก็ ไปหาย่าพอ่อเจ้าของมาเนี่ยยาพอ่อในวัดก็เลย่าพ่อยาพอ่อท่านยาพอ่าพอที่มาหม่นั่นหูหนวกได้ก็ท่นหูตึงหูหนวกก็ท่านขันวอกกเพิ่นก็ะบอกแห้งแ้งแ น, น่ว่่า่ยยาไปวค้อยว่า่านเอนนี น, น่อยบอกยาพอ่อเออบาทอะไร ย, า, ยาพอ่อไถ่แขกก็เคาขึ้นไปหาท่านแล้วอบไรยาพ่อก็อยู่เจ้าของคนก็อยู่ในกุฏิออกไป เพิก่กรทักท่ายกันแล้วะเนี่ยหน่อยบอกได้ไดต้องบอกเสียงดังมาออกไปเนยพอเจอวาดก็ทำนะมาแต่สายเาพ่อเนี่ยมาแต่เมื่องโค้ดเป็นไร ห, หูเป็นังไดไปว่าเป็นยังได้หรอุไปเอาไปมาจอิหจาก็นถูกเน่หน่อยตมนไป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 บ <c oughs> วา น, น่ะลูกหลานเนี่ยฟังน่ะลูกหลานพอได้กระามต้องฟังไวสักก่อนวันนึงไปเบิงสะกก่อนแหสังเกตสะกก่อนอยังคอยทีบเาอายังผโวโหลดพลาดลาดออกไปการบ่าวบ่ถือบ่วแมนเน่ยเสียหายเด้มันออกไปแล้วมันเสียหายน้ำข้อมบ่วน้ำผัวท่านนบ้านเนี่โอ้ยหมู่ว่านเนี่ยลงพอเบาพิษเด้อพยอยอีกมันลงไปแงเสียหายแห้งขายหนาไปเลยมันไป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 บางที่คิดกลุ่มคิดลุมขึ้นว่าเอาไปมากขายจะคข้องตายก็ไม่ได้เอ่อบังในระว่างความคิดคิดนี่เป็นศีลเป็นท่ามบอแล้วกับอยู่กับหมูกับเพื่อนให้ระว่างว่าจา่าว่าจ่าข้ามผูดวันไหนพวกเข้าเรามัดระวังอย่างกูบาคนเขียน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 นั่งฟังเทศกันนอนหลับคนที่สองมานั่งฟังเทศเอามือเขีย่ยคุยเขี่ยดินคนที่สามนั่งนะเขย่าต้นไม้งไปคงมีแต่คนไม้อยุบพุ่มไม้อยู่ใกล้ๆเขยา่าแล้วก็มองคนที่สี่แหงนแหงนหน้าขึ้นฟ้านละไม่รู้มองอะไรก็ไม่รู้มองท้องฟ้าเอาน้ไป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 เคยเป็นงูมาก่อนเคยเป็นตระกูลนาคมาก่อนติดต่อกันถึงห้าร้อยชาติไม่มีในระหว่างเลยหรือพระเจ้าค่ะเออแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีอยู่ในระหว่างออแต่ตามจริงมันมากกว่า500ชาติแต่มันติดต่อกันจริงๆนะ5 0 0รชาติแต่ก่อนหน้านี้ก็เกิดเป็นนว่างเกิดเป็นงูบ้างเกิดเป็นอย่างอื่นบ้าง แล้วก็คนหนึ่งเขย่าต้นไม้หราพระเจ้าค่ะคนนี้เคยเป็นเหล่งมาก่อนติดภพติดชาติผู้ที่เคี่ยดินลราพระเจ้าค่ะผู้นั่งเคี่ยดินเยเคยเป็นไส้เดือนมาก่อนกินดินเคยคู้เคี่ยดินกินมาก่อนแต่คนที่มองท้องฟ้าลระพระเจ้าอันนี้เคยเป็นหมอดูหมอดาหมอดูดวงมาก่อนแล้วคนที่นั่งประสานมือนั่งด้วยความเคารพล่ะ อันนี้เคยเป็นพราหมณ์มาก่อนเคยเป็นพราหมณ์มาก่อนคือเคยเป็นสอนไตรเวทเคยศึกษาธรรมะมาก่อนเคยศึกษาวิชาทางโลกมาก่อนเวลาเขาฟังเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบเออพระพุทธเจ้าตรัสไปนี่เนี่ยถูกต้องไหมมีเหตุผลไหมเปรียบเทียบกับความรู้ของที่ได้ศึกษามาเนี่ยคนนี้ได้ประโยชน์ไหมเมื่อเราเทศจบลงแล้วคนนี้จะได้สําเร็จพระสูดาบัน แต่อีกสีคนน่ะเปล่าประโยชน์นะพระพุทธเจ้าบรรนวายนนะนอย่างนั้นนะท่นตรัสอย่างนั้นนะเพราะนั้นให้พวกเราสังเกตดูนะอกันมาหลวงพ่อเทศอะไรให้ฟังนะจิบ น, นู้นจิบนี่แสดงว่านิสัยหลิงยังมีอยู่นะท่านข้าในเขียนนั่นเขียนี่นะอาจจะเป็นไก่มาก่อนก็ได้เหมั้นกันเนพะราะนั้นให้พวกเราดูดูพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นนะ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 คนหนึ่งว่าศิลข้อหนึ่งข้อสองอย่างอุบาสกในครั้งพุทธกาลน่ะนะแต่ผลที่สุดก็มีคนหนึ่งแต่เขามีข้อสรุปไปว้แล้วว่าสินข้อที่หเนะี่ยเป็นสินที่อันตรายเป็นสิลที่อันตรายกว่าสินข้ออื่นในหข้อนั้นโพน้นทุดก็เลยเอาอธิบายต่างคนก็ต่างอธิบายมาก็สูกสินข้อห้าไม่ได้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 ไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรขึ้นมาในวงการของพวกเราทันทีเพราะอะไรเพราะมันขาดสติน่นนะถ้าจะว่าไปสินข้อที่ห้าเป็นสินอันตรายนะคณะ ท, ะทายาทโยมลูกหลานทุกคนนะแล้วก็มีอุบมีพระสงฆ์อีกนะ่กลุ่มหนึ่ง5องค์หองค์เข้าไปกราบพระพุทธเจ้กากราบพระพุทธเจ้าข้าในข้าพระองค์ทั้งหลายนี่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 ให้รักษาใจเนี่ยดีอา่าในเมื่อตาไปเห็นรูปรูปสวยรูปงามก็ไปไปรักไปหลงอในรูปถ้าเห็นรูปที่ไม่ละดีขี้ร้ายขี้เลวก็เบี้ยวปากใส่แ lap ลิ้นใส่อย่างนี้ก็โมโหไอ้เขาเอา่าถ้าไปเห็นหน้าตาสะสวยเสร็จสวยงดงามก็ไปลุ่มไปหลงในร่างกายของเขานะเนี่ยเนี่ยผูดถึง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 ถ้าว่าคนที่ไม่มีสติเหมือนกับคนหนีออกจากบ้านไอหนีออกจากบ้านตัวเองหมูหมากาไก่อะไรเข้ามาทำร้ายทำรายบ้านของเราเราก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าเราหนีจากบ้านไงคือคนขาดสติเพราะนั้นเรื่องสติสัมปชัญญะเนี่ยในหลักธรรมคำสอนท่านให้ความสำคัญมากนะต่อนนี้ไปท้งใจลับผ่อนนะทีนี้นะ